บัรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในหัวข้อที่ทรงแสดงว่าเพื่อทำให้แจ้งซึ่งยาญธรรมอันประเสริฐนั้นคำว่ายาธรรมท่านบอกว่าได้แก่ปฏิจจสมุปบาทซึ่งได้กล่าวมาแล้วในวันก่อน ในปฏิจจสมุปบาทนั้นถึงแม้ว่าจะมีองค์ธรรมอยู่เป็นอันมากคือถึงสิบสองข้อก็ตามและมีการอา ธ, าธิบายออกไปโดยวิจิตพิสดารแต่ตัวการสำคัญที่แท้จริงแล้วอยู่ที่อวิชชาซึ่งเปรียบเหมือนหัวรถจักรคือถ้าตัดออกไปได้กระบวนรถทั้งกระบวนก็หยุดอยู่กับที่ไม่ก้าต่อไป หรือเบือนกับศีษะอสรพิษถึงแม้ว่าตัวจะยาวอย่างไรใหญ่อย่างไรแต่ถ้าถูกตัดศีษะเสร็จแล้วอสรพิษนั้นก็หมดพิษส่งไปดังนั้นการปฏิบัติในทางศาสนาจึงต้องการขาจัดอวิชาเพื่อให้เกิดเป็นวิชาความรู้ขึ้นมาแต่หลักการขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัตินั้นก็ให้ดำเนินไปตามหลัก อริยมรตมีองค์แปดประการซึ่งได้กล่าวมาแล้วเนื่องจากปฏิจจสมุปบาทเป็นแนวของอริยสัจสี่แต่ว่าตัวธรรมะที่ปรากฏขึ้นมานั้นคือฝ่ายทุกข์กับฝ่ายสมุทัยเท่านั้นถ้าจะถามว่าฝ่ายนิโรธกับมรตไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ในสายดับของปฏิจจสมุปบาทซึ่งทรงแสดงไว้อีกช่วงหนึ่ง สัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าอาวิชชาเป็นตัวการปิดบังเอาไว้จึงทำให้สัตว์และคนทั้งหลายมีความหลงดุจจะอยู่ในที่มืดอวิชชาจึงเปรียบเหมือนกับความมืดซึ่งจำเป็นจะต้องคขจัดด้วยแสงสว่างคือวิชาและวิชาที่จะต้องใช้ก็มีอยู่สองช่วง ช่วงแรกคือช่วงที่เป็นกลุ่มสมุทยัยตัวการที่ปรากฏชัดในที่นี้ก็คืออวิชชาความไม่รู้ตัณหาอาการที่จิตเตยทยานดิ้นรนจากได้และอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอวิชชานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือความไม่รู้ในอริยสัจทั้ง4ประการ เพราะปัญหาความไม่รู้ทั้งหลายเราอื่นจะเป็นเรื่องไม่รู้อะไรก็ตามแต่ถ้าผู้ปฏิบัติรู้ในอริยสัจทั้ง4ี่แล้วความรู้อย่างอื่นก็ย่อมจะเกิดขึ้นติดตามมาดังนั้นเวลาจำแนกอวิชชาบางครั้งจึงจำแนกออกไปถึง8ประการด้วยกันโดยเพิ่มการไม่รู้ในชีวิตอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคต ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทการปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ4ี่นั้นผลสมบูรณ์ที่แท้จริงอยู่ที่อริยมรรคมีองค์8ประการที่สมบูรณ์ <c oughs> ก็จะเกิดความรู้ขึ้นแต่สำหรับในชั้นนี้จะกล่าวถึงความรู้ในลักษณะไขจัดอวิชชาความมืดบอดให้เบาบางลงไป การที่จะขจัดอวิชชาตันหาอุปาทานให้บาบางลงไปได้นั้นประการแรกบุคคลจะต้องมองเห็นโทษของอวิชชาคือความไม่รู้เหล่านี้ตลอดถึงตันหาและอุปาทานโทษของอวิชชาตันหาอุปาทานนั้นได้แก่เป็นตัวการให้เกิดความทุกข์ในชีวิตของบุคคลซึ่งปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆ และแม้แต่ตัวความทุกข์เองก็เหมือนกันเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นสภาวะหมายถึงว่าทุกชีวิตที่เกิดมาจะต้องประสบกับปัญหาเหล่านี้ได้แก่เกิดแก่ตายและความทุกข์ที่จอเข้ามาได้แก่ความโศกความร่ำไรรำพัน์เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้ไขจัดอวิชชา ตัณหาอุปาทานออกไปแล้วความทุกข์ก็ชื่อว่าได้ถูกขจัดไปแล้วเช่นเดียวกันโทษของพวกกวิชาตัณหาอุปาทานข้อต่อไปนั้นคือเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งมวลความทุกข์แม้จะปรากฏรูปลักษณะออกมาอย่างไรก็ตามแต่เมื่อสืบสาวให้ถึงต้นข่าวที่แท้ จ, จริงแล้ว ตัวการสำคัญอยู่ที่กลุ่มของกิเลสซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆกันออกไปและได้แสดงว่าเป็นตัวการที่ประกอบสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์คือหมายความว่าาสตรใดที่กิเลสเหล่านี้ยังไม่ถูกทำลายออกไปบุคคลก็จะต้องหมุนวนเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในสังสารวัฏสาบนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้รับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเราและเธอทั้งหลายไม่รู้แจ้งซึ่งปฏิจจสมุปบาทจึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีกิเลสเหล่านี้อยู่การอุบัติบังเกิดในสังสารวัฏ เขย่อมจะมีอยู่แต่เนื่องจากการบังเกิดในทั้งสารวัตมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำคัญอยู่อีกประการหนึ่งคือกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลพพชาติจึงมีความประณีตแตกต่างกันออกไปแม้ในชีวิตปัจจุบันบุคคลก็เห็นกันได้ว่าแตกต่างกันออกไปตามอานาจของกรรมที่บุคคลได้กระทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และเมื่อบุคคลต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตเช่นนี้คนจึงเหมือนกระตกอยู่ในเรือนจำคือสังสารทุกจะต้องเกิดอยู่ในภพในชาติต่างๆธรรมดาภพชาติเหล่านั้นแม้จะประณีตวิเศษจางไรก็ตามเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วก็หมุนวนกลับไปสู่ความเกิดอีกเป็นวัตจักแห่งชีวิต ซึ่งหาที่สิ้นสุดไม่ได้สรับใดที่วิชาคือความรู้ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นดังนั้นเวลาบุคคลประพฤติปฏิบัติก็มองเห็นโทษของกลุ่มกิเลสเหล่านี้แล้วก็เพียรพยายามประพฤติปฏิบัติไปตามหลักของอริยมรรคทั้งแปดประการและจะต้องรู้ในส่วนที่เป็นความทุกข์ ความทุกข์นั้นตามสายของปฏิจจสมุปบาทที่ปรากฏชื่อนั้นก็คือวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะคืออาญาตนะาผัสสะเวทนาะและแม้ในช่วงหลังที่ท่านเรียกว่าชาติชรามรณะก็อยู่ในกลุ่มของความทุกข์เช่นเดียวกันกลุ่มของความทุกข์เหล่านี้ เป็นกลุ่มที่ทรงสอนให้บุคคลรู้จักหน้าตาเอาไว์เท่านั้นเองเพราะว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วตัวความทุกข์นั้นบุคคลไม่สามารถที่จะละได้เพราะเป็นเพียงผลเท่านั้นเองถ้าต้องการจะละก็ต้องละที่สมุ ท, ทยัยเหมือนกับตัดต้นไม้ทำลายต้นไม้ก็ต้องทำลายที่มูลรากของต้นไม้ไม่ใช่ไปตัดที่กิ่งของต้นไม้ เพราะธาตัดที่กิ่งแกก็งอกขึ้นได้อีกเป็นการแก้ปัญหากันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพวกกลุ่มความทุกข์ที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาธรรมะเหล่านี้วิญญาณท่้งก็แก้ว่าได้แก่ความรู้ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายในช่วงหลังสมับในช่วงแรกท่้งก็แก้เป็นปฏิสนธิวิญญาณคือการถือปฏิปฏสนธิในกาเนิดในพบต่างๆของสัตว์ทั้งหลาย พวกนามารูปนั้นพวกรูปก็คือรูปร่างกายของบุคคล น, นี้เองบุคคลและสัตว์ทั้งหลายนี้เองส่วนนามก็ได้แก่พวกเวทนาสัญญาเจตนาคือความจงใจความตั้งใจที่จะทำที่จะพูดที่จะคิดอะไรออกมาและมณสิการคือความใส่ใจสลาญตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายปัสสะก็คือการกระทบกัน ระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเมื่อเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาแล้วท่านก็เรียกว่าเป็นผัสสะคือการกระทบเช่นเดียวกับการเอามือสองมือมากระทบกันหรือว่าเอามือไปกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าผัสสะแปลว่าการกระทบโบราณ น, นั้นท่านยกอุปมาเหมือนกับแพะสองตัวชนกันเรียกว่าผัสสะ แต่ว่าในที่นี้จะดูอะไรก็ได้คือเรื่องของการกระทบท่านก็ใช้คำนี้เมื่อกระทบออกไปแล้วเวทนาคือความรู้สึกเสเวยอารมณ์ว่าดีไม่ดีเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็บังเกิดขึ้นกลุ่มนี้ทั้งหมดจะเห็นว่าก็ไม่อื่นไปจากขันทั้งห้าประการกลุ่มรูปก็คงเป็นรูป กลุ่มนามก็คือกลุ่มของสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณนั่นเองทั้งหมดนี้เรียกว่าป ร, ปริญญาตปฏิธรรมคือธรรมะที่ต้องกําหนดรู้ไว้แต่อยตั้งปัญหาถามว่ารู้ไว้อย่างไรการรู้นั้นอาจรู้หลายวิธีด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณากันแนวไหนในชั้นแรกอาจจะดูส่วนที่เป็นรูปนาม ซึงแยกออกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่ารูปนั้นก็เปรียบเหมือนกับฟองน้าที่ก่อขึ้นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยต่างๆแล้วในที่สุดก็ต้องแตกดับไปร่างกายของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นคือเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยดํารงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยและเสื่อมสลายไปเพราะสิ้นเหตุปัจจัยแห่งการดํารงอยู่ เวทนานั้นเกิดดับได้เร็วความสุขความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงได้เร็วจึงทรงอุปมาให้เห็นเหมือนกระตอมน้ำเล็กๆที่บังเกิดขึ้นแก่เกิดดับเกิดดับไปในเวลาที่เร็วกว่าพวกฟองน้าซึ่งมีขนาดใหญ่สัญญานั้นก็เปรียบเหมือนกับพยับแดด ให้เห็นว่าพยับแดดที่เวลาแดดร้อนจัดจัดบุคคลเดินไปกลางทุ่งนาหรือว่าไปบนถนนมองไปข้างหน้าจะเห็นพยับแดดเป็นรูปเป็นร่างต่างๆแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็รูปร่างนั้นก็กลออกไปทุกทีทุกทีแล้วไม่เห็นรูปร่างที่แท้จริงทั้งนี้เพราะว่ารูปร่างเหล่านั้นไม่มีอยู่อย่างแท้จริงนั่นเองสัญญาก็มีลักษณะอย่างนั้น การไปกำหนดหมายการไปยึดถือเข้าใจว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นต้นก็เป็นการยึดการถือในพยับแดดซึ่งไม่มีตัวตนส่วนสังขาร น, นั้นทรงสอนให้มองเห็นเหมือนกับกอกล้วยธรรมดาว่าต้นกล้วยแต่และต้นดูแล้วก็มีรูปร่างสวยงามแต่เมื่อปอกกาบกล้วยออกไปที่กากความเป็นต้นกล้วยก็หายไปด้วย ตั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสังขารทั้งหลายที่เรียกกันว่ามีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามนั้นพอแยกออกไปแยกออกไปแล้วหาความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอะไรไม่ได้ส่วนวิญญาณนั้นทรงสอนให้มองเห็นเหมือนกับภาพมายาหรือการแสดงมายากลต่างๆนี้เป็นการสอนให้รู้ในลักษณะหนึ่ง เพื่อจะถ่ายถอนความยึดความติดความหลงในสิ่งเดียดนั้นและประการต่อไปก็ทรงสอนให้ดูถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่สิ่งเดล่านั้นลักษณะของความทุกข์ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นแสดงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อใดบุคคลมาเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้น เขาย่อมหนายในความทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดดังนี้ซึ่งเป็นการยืนยันในเห็นว่าเมื่อบุคคลเห็นสังขารตามความจริงเช่นที่ทรงแสดงเอาไว้จิตใจก็จะเริ่มหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณหรือในที่นี้ก็คือนามรูปสลาญตนะผัสสะเวทนาพอจิตใจเริ่มหน่ายก็จะคลายความกำหนัดความยึดความติดที่เคยมีอยู่ ปัญหาอุปาทานและอวิชาก็จะเจือจางลงจากจิตใจของบุคคลผู้นั้นดังนั้นการรู้การเข้าใจถึงความทุกข์โดยสภาพก็ดีความทุกข์ที่จรเข้ามาในชีวิตก็ดีแต่ละครั้งที่บุคคลรู้บุคคลเห็นนั้นจะทําหน้าที่สลายความเข้มข้นของตัญหาของอุปาทานให้เจือจางลงไปและอวิชาเองก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆ คือถึงแม้จะมืดจะบอดจู่แต่ก็อยู่ในขณะที่เรียกว่าขมุกขมัวคือพอมองเห็นบ้างไม่มองเห็นบ้างก็ดีกว่าจะมืดบอดเะเลยทีเดียวลักษณะของความทุกข์ที่ท่านสอนให้กำหนดรู้ไว้นั้นก็ไม่ใช่เป็นความทุกข์ที่เข้าใจกันโดยทั่วไปตามปกติแล้วมักจะคิดว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจคือความทุกข์ นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขเวทนาคือทุกข์ที่เกิดสืบเนื่องมาจากเวทนาการสวยอารมณ์เท่านั้นแต่ว่าทุกข์โดยทั่วๆไปนั้นในหลักที่เรียกว่าโสรสกิจคือกิจ1ิอย่างก็ท่านแบ่งให้รู้ความทุกขไว้เป็น4ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคือมีอาการเบียดเลียน ยกอะไรขึ้นมาดูก็ได้ยกนามกยกรูปขึ้นมาหรือแม้แต่ยกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนมาพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีอาการเบียดเบียนไหมก็จะเห็นว่ามีอาการเบียดเบียนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นว่าพอเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น แก่รูปร่างกายแม้แต่เวทนาที่เกิดขึ้นถ้าเป็นสุขก็เบียดเบียนทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็เบียดเบียนสุขในส่วนของเวทนาสิ่งเราอื่นก็เหมือนกันไม่มีอะไรหยุดนิ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําหน้าที่เบียดเบียนขัจัดอีกฝ่ายหนึ่งให้ออกไปหรือให้เบาบางลงไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลก็มีลักษณะเช่นนั้นแต่ในชั้นของการพิจิตรพิจาราน้น ลองพิจารณาดูว่าดูอะไรเห็นได้ชัดก็ดูในช่วงนั้นให้ชัดเสียก่อนไม่ใช่ว่าไปดูเสียทุกอย่างในชั้นแรกให้ดูในช่วงใดช่วงหนึ่งที่คิดว่าเข้าใจได้เห็นได้แล้วก็เพ่งพินิษดูในสิ่งนั้นว่าเบียดเบียนจริงไหยตามที่ได้สรงแสดงไว้นั้นในขณะเดียวกันก็ให้ดูว่าสิ่งเหล่านั้น จะเป็นรูปหรือเป็นนามก็ตามเกิดขึ้นมาจากปัจจัยต่างๆเข้ามาปรุงเข้ามาแต่งให้บังเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นความเกิดก็มีปัจจัยปรุงแต่งทั้งเป็นเรื่องของรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมาปัจจัยเหล่านี้ถ้าขาดไปสักอย่างการเกิดก็มีไม่ได้ปัจจัยทั้งหมดจึงต้องมีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนามธรรมซึ่งท่านแสดงว่าจะต้องอาศัยกิเลสอาศัยกรรมเป็นตัวสร้างปฏิสนธิวิญญาณขึ้นปัจจัยทั้งสามอย่างนี้ขาดไปอย่างเดียวเกิดก็ไม่ได้ในด้านรูปร่างกายนั้นอวัยวะบางส่วนอาจจะบกพร่องไปแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เป็นกลุ่มของาธาตุทั้งสี่นั่นเองเป็นปัจจัยร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาและในกรณีของนามก็เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นว่าสุขเวทนาจะเกิดเป็นความสุขขึ้นมาได้ก็ด้วยอาศัยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกข้าประกรบปัจจัยภายในคือใจที่กำหนดหมายสิ่งนั้นว่าดีงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจปัจจัยภายนอกในกรณีที่เห็นรูป ก็จะต้องมีรูปแล้วก็มีแสงสว่างตัวเองก็มีดวงตาเห็นรูปนั้นได้ปัจจัยเพียงสามประการนี้ก็ยังไม่เกิดจะต้องอาศัยมนานสิการคือความใส่ใจถึงรูปนั้นเมื่อเกิดมนานสิการขึ้นมาก็รู้รูปว่าดีหรือไม่ดีเชื้อภายในจิตที่เก็บไว้อย่างไรเวทนาก็ออกมาในลักษณะจากนั้นในเรื่องอื่นก็ทานองเดียวกัน สิ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนสภาวะคือเกิดแก่ตายหรือส่วนที่เป็นความโศกความร่าไรราพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจการต้องพลัดพรากจากคนสัตว์สิ่งของอันเป็นที่รักการต้องไปเกี่ยวข้องกับคนสัตว์ที่เราไม่ชอบเป็นต้นทั้งหมดแล้วเกิดขึ้นมาจากปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดและปัจจัยนั้นจะต้องมีสองฝ่ายอยู่ตลอดคือทั้งภายในและภายนอก เพราะถ้ามีปัจจัยเดียวแล้วจะไม่เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มของความทุกข์ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นวัตถุสัตว์บุคคลสิ่งของอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ก็มีอยู่แม้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเองก็ทรงพระชราแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยน เ, เหมือนกัน แต่เนื่องจากปัจจัยภายในไม่ได้มีอยู่ความทุกข์จึงไม่เกิดขึ้นแก่พระองค์พระองค์มีการพลรัดพลากเช่นเดียวกับคนทั้งหลายพระเจ้าสุทโธทนะก็ที่วงคตไปเมื่อพระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่และพระญาติเป็นอันมากก็ล้มหายตายจากไปในตอนสุดท้ายจนถึงกับกษัตริย์วิทูตพระยกพวกมาฆ่าไปเป็นอันมากแต่พระพุทมีพระภาคไม่มีเชื้ออยู่ภายใน ความเศร้าโศกเพราะการวิบัติพลัดพรากเหล่านั้นถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นปีชนก็าตามความทุกข์จึงไม่เกิดขึ้นภายในประชัยของพระองค์และให้ดูในข้อต่อไปว่าแต่ละอย่างนั้นมีอาการก่อให้เกิดความเล่าร้อนทรงนี้เน้นไปหนักที่สุดก็คือเรื่องของทุกขเวทนาได้แก่ความไม่สบายกายบ้าง ไม่สบายใจบ้างหรือไม่สบายทั้งกายทั้งใจบ้างปรากฏออกมาเป็นรูปของความทุกข์ที่แผดเผาจิตใจของบุคคลให้เร่ารอนทีนี้ถ้าลองดูว่าอาการที่ก่อเป็นความเร่ารอนนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากใจที่ไปยึดไปถือในสิ่งเหล่านั้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ในบทสวดมนต์ช่วงสุดท้ายที่ว่า สังคิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานักขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปการที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าประการนั้นเองเป็นความทุกข์ถ้าไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์้อนี้พึ่งเห็นตัวอย่างการล้มหายตายจากของคนสัตว์นั้นมีกันอยู่เป็นประจำวันบางแห่งตายกันเป็นจำนวนร้อยจำนวนพัน แต่บุคคลที่ได้ยินข่าวเหล่านั้นบางคนก็เฉยๆบางคนก็เดือดร้อนบางคนก็ไม่มีความรู้สึกกินดียินร้ายอะไรทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจของบุคคลไปกำหนดหมายไว้ในฐานะอย่างไรถ้ากำหนดว่าคนนั้นเป็นคนที่รักเป็นญาติเป็นพี่น้องก็เกิดความทุกข์ถ้าไม่กำหนดอะไรก็เกิดเฉยๆ คนที่มีหลักธรรมะอยู่ภายในใจท่านเรียกว่าเกิดธรรมะสังเวชคือสลดใจที่เห็นคนสัตว์เหล่านั้นมาเบียดเบียนมาเขียนข่ามาสร้างบาปสร้างกรรมกันก็ท่านนั้นทางนี้เพราะใจของบุคคลไปกำหนดสิ่งเหล่านั้นไว้แตกต่างกันความยึดความถือจึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดและก็ท่านเรียกว่าอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น เป็นตัวการสําคัญที่ก่อให้เกิดความทุกข์ในลักษณะเหล่านั้นในลักษณะที่เรียกว่าเวทนาเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องบางเรื่องที่คนรู้สึกว่าเป็นสุขเนี่ยคนบางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นสุขก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นจิตโดยที่ได้กล่าบมาแล้วและในขณะเดียวกันก็ให้กําหนดดูถึงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเกิดแก่ตายหรือว่าความสุขเป็นต้นดังที่เด็กดาผลาแล้วไม่มีอะไรดำรงอยู่เช่นนั้นตลอดไปเมื่อแกเกิดขึ้นได้แกก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั้นอาจดีขึ้นหรืออาจเด็วลงหรืออาจจะคงอยู่ในรูปอย่างหนึ่งขณะหนึ่งแต่ว่าในที่สุดก็จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรยหยุดอยู่กันที่ มีอาการเลื่อนไหลไปคล้ายๆกับกระแสน้ำซึ่งไม่ได้อยู่นิ่งกับที่เลยแต่ว่าคนถ้าหากว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิพิจารณาแล้วอาจจะมองเห็นกระแสน้ำในแม่น้ำว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท้ที่จริงแล้วเป็นคนลักระแสกันตลอดกระแสน้ำไม่ได้หยุดอยู่ยกับที่ชีวิตของบุคคลตลอดถึงแนวความคิดของบุคคลก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้น คือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดไปนี้เป็นอาการของความทุกข์ซึ่งทรงสอนให้กําหนดดูยกอะไรขึ้นไปก็ได้ยกดูในจุดว่าเบียดเบียนจริงไหมยกดูในจุดว่ามีปัจจัยปรุงแต่งหรือดูในจุดของความร่าเรอนหรือดูในจุดของความแปรปรวนแล้วลักษณะดังที่กล่าวทั้งสี่ประการนี้ไปจับที่อะไรก็ได้ที่พวกกลุ่มรูปก็ได้ที่พวกกลุ่มนามก็ได้ หรือจะกลับแบบอุปมาอย่างที่ทรงแสดงไว้5ประการนั้นก็แสดงว่าการเรียนรู้ถึงความจริงแห่งความทุกข์นั้นมีครูสอนอยู่ตลอดเวลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่ตัวของบุคคลมีครูอยู่ทั้ง5คือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้การเข้าใจถึงสภาวะอันแท้จริงของชีวิต ว่าประกอบด้วยความทุกข์มีวิชาเป็นเครื่องคุ้มขอเอาไว้จิตใจของบุคคล น, นั้นก็พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักคำว่าอิ่มคำว่าพอทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตันหาคือความทยานอยากมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลทำให้มีการไขว่คว้านวงเนียวมุ่งมาดปรารถนาสิ่งต่าง และเพียรพยายามเพื่อสนองตอบความต้องการของตนอยู่หาที่สิ้นสุดไม่ได้เมื่อบุคคลสามารถรู้ถึงความจริงแห่งความทุกแห่งเหตุเกิดแห่งความทุกข์คือสมุทยัยได้แล้วในชั้นของการพินิษฐ์พิจารณาดังที่กล่าวพนีก็สามารถที่จะลดความเข้มข้นความเจือของตัณหาอุปาทานให้เจือจางลงไป และในขณะเดียวกันเมื่อประสบกับความทุกข์ก็จะถ่ายบรรทาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่มีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขความส ง, งบใจได้แต่ว่าการที่จะถ่ายถอนพวกกลุ่มกิเลสและกลุ่มความทุกข์จนเกิดรู้บรรลุญาณธรรมอันประเสริฐได้นั้นก็ต้องอาศัยการดำเนินมาตามหลัก อริยมรรคมีองค์8ประการที่กล่าวมาในวันก่อ น, อนเมื่ออริยมรรคมีองค์8ประการที่บุคคลบำเพ็ญเพียรสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็จะเกิดความรู้ประการหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าสัมมาญาณนะคือความรู้ในทางที่ชอบถ้าจะถามว่ารู้อะไรในทางที่ชอบก็คือรู้อริยสัจสี่รู้ปฏิจจสมุปบาทรู้อดีตอนาคตทั้งอดีตและอนาคต เมื่อความรู้ปรากฏขึ้นแล้วอวิชชาที่เคยมีอยู่ก็จะอันตรธานไปจากจิตใจท่านผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นพุท ธ, ธะคือผู้รู้ตามรอยบาทยุคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายต่อจต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป